การกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัตรธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากพระพุทธภาษิต การที่เราได้มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งเพราะว่าในช่วงปีใหม่แต่ละครั้งก็จะมีบุคคลที่ห่างหายไปหลายคนเราจะรู้ว่าบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกลมหายตายจากไปบ้างแล้วก็ สูหายไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมามีชีวิตอยู่วันนี้ก็ตามบางทีจิตใจก็เศร้าหมองไม่มีความสดชื่นบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าชีวิตเก่าๆเนี่ยชีวิตที่ล้าสมัยแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ปรับปรุงจิตใจใหม่ มีการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถือว่าเราเนี่ก็โชคดีนะที่ได้มามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเวลานี้และยิ่งได้เป็นเวลาในช่วงที่ฟังธรรมะได้พบกับพุทธศาสนามีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าเรามักจะ คิดว <emás. équ altung> ่าการฟังธรรมเนี่ยต <human Iranian turkey limits> ้องฟังจากบุคคลโน่งบุคคลนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นธรรมะเนี่ยจากใครก็ได้ที่พูดแล้วเป็นธรรมะอย่าคิดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้คนที่บางกีคนไม่มีความรู้เลยแต่บางทีเขาก็พูดเป็นธรรมะอย่าไปติดในตัวบุคคลสรุปเลยว่าอย่าไปติดในตัวบุคคลจะเป็นพระจะเป็นโยมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนพิการฟังได้ทางนั้น ถ้าพูดแล้วเป็นธรรมะเป็นประโยชน์นะพระุธองค์ท่บอกว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นมงคลถ้าไม่ได้บอกว่าฟังธรรมจากใครการฟังธรรมตัวว่าเป็นมงคลเนี่ยอย่างในช่วงเช้าๆก่อนจะไปทํางานเราก็ได้ฟังธรรมเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเพราะธรรมะเนี่ยสอนเพื่อจิตใจเราเนี่ยดีนะดีในขั้นต้นๆก็คือให้ละความชั่วกันต่อมาคือให้ทําความดี การฟังธทำเนี่ก็คือเป็นการทำความดีและฟังสิ่งที่ดีๆการละความช่วยเนี่ก็ดีขั้นต้นการทำความดีก็ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งขั้นสูงสุดก็คือดีในขั้นที่3การทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสอันนี้เป็นหลักทำคำสอนในทางพุทธศาสนาเราโชคดีละเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นเรื่องการมีสติ เราสติเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลาง<ม>ของความดีทั้งหลายจุดศูนย์รวมแห่งความดีทั้งหลายถ้าขาดสติเด้อย่างเดียวเนี่ยบาปอากุศลความทั่วต่างๆก็จะเข้าสิงสู่จิตใจเราทันทีเลยแต่ถ้ามีสติสติเนี่ยมันพาจิตพาใจมันตื่นตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความโง่หลงงม ง, ง, ง, ง, งายตื่นจากความคิดความคิดที่เป็นบาปอากุศลเนี่ย เขาก็จะหายไปแม้ความคิดที่เป็นกุศลแต่คิดแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพียงมีสติเท่านั้นนะสติจะช่วยกันกรองช่วยขจัดความไม่รู้ต่างๆเนี่ยให้หายไปจากจิตใจจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยไปทําอะไรก็เป็นประโยชน์ก็จะสําเร็จแต่ภายใต้จากการมีสติดูแลรักษาจิตไม่แต่การกินนะการกินเนี่ย กินแบบขาดสติเราก็เห็นไหมกินแบบขาดสติมีการฉลองในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาขาดสติกินกันไปเฮฮาพูดคุยอันนี้เป็นภาวะที่ไม่มีสติน้นะกินกันไปคุยกันไปว่า oh, ละยกเรื่องโน้นมาพูดคนนี้ยกเรื่อง น, นมนนื่อพูดต่างคนต่างพู ด, พดบรรยากาศในการกินก็เลอเป็นไปการความหลงแล้วก็การกินอย่างขาดสตินี่ก็ต้องกินแบบต้องเลือก ต้องอร่อยต้องบรรยากาศอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของการกินเลยแล้วดูเถอะพอกินเสร็จแล้วเก้าอี้ต่างๆโต๊ะต่างๆถ้วยชามวางระเกะละกะไม่เป็นระนี่คือการกินอย่างกาดสติไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ากินอย่างมีสติจะไม่คุยกันมากจะมีสติรู้อยู่กับการกิน การกินก็เป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดคุยกันน้อยมากอร่อยนะพูดถึงกินยัมีสติก็อร่อยเหมือนกันแต่เป็นอร่อยที่ลึกซึ้งสามารถรับรสชาติของอาหารได้ถ้าขาดสติโม่แต่คุยกันโม่แต่ดูทีวีเราไม่รู้รสชาติของอาหารหรอกมันก็จะอร่อยกับการดูกับการฟังแต่ไม่ได้อร่อยกับลิ้นที่ได้กระทบกับรสอาหารนันโอชะที่มีราคาแพ ง, แพง ถ้ากินอย่างมีสติเนี่ยก็จะรู้รสชาติของอาหารอร่อยลึกซึ้งแล้วก็ไม่ติดนะสติจะช่วยกันกลางวั น, นี่ติดไม่ได้แม้แต่รสชาติของอาหารมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยึดติดไม่หลงมัวเมาในการกินกินเพื่อให้อิ่มกินอย่างมีสติเนี่ยกินเพื่อให้อิ่มไม่ได้กินเพื่ออร่อยกินเพื่อให้อิ่มแตมันก็มีความอร่อยอยู่ด้วยก็ช่วยไม่ได้แต่ผลสุดท้ายก็คือความอิ่ม เป็นการสิ้นสุดของการกินเท่านั้นแหละแล้ดูเถอะมากินเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้จานช้อนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากวางเป็นระเบียบบางท่านนี่ถึงขนาดที่ว่าเอาผ้าหรือกระดาษเนี่ยถูจานให้สะอาดยังไม่ทันได้ล้างนะเนี่ยกินอย่างมีสติทุกอย่างจะเรียบร้อยได้ปัญญาไม่ได้กินด้วยความรุ่มหลงมัวเมาแม้แต่การนอนถ้านอนอย่างขา้สตินี่ก็ต้องเลือก ต้องที่นู่นที่นี้ต้องบรรยากาศอย่างนั้นอย่างนี้ต้องที่นอนนุ่มๆสูงใหญ่จึงจะนอนสบายอันนี้ไม่ได้นอนด้วยสตินะมางที่อาจจะนอนด้วยตัณหาด้วยความอยากแต่ถ้าเรานอนด้วยสติก็นอนเพื่อเป็นการพักผ่อนพักผ่อนร่างกายที่ทํางานมาเหนื่อยแล้วประการความพักผ่อนการนอนที่แท้จริงเนี่ยเพียงแค่ใช้บริเวณแค่หลังแตะพื้นแตะกระดานมีที่นอนนุ่มๆสักหน่อยก็พออยู่ได้แนละ้ว ก็หลับเหมือนกันถ้านอนอย่างขาดสติเนี่ยบางทีไม่หลับนะใจฟุ้งซ่านเปในเรื่องราวต่างๆวันนี้เราทําอะไรมาบ้างเราก็จะเอามาเก็บเอามาคิดเรื่องเก่าๆเก็บเอามาคิดเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เอามาคิดปรุงแต่งไม่ได้อยู่อาการนอนเพราะขาดสติก็นอนไม่หลับแม่หลับไปก็ฝันร้ายตื่นมามีอาการคอแห้งปวดต้นคอเคยไหมคอแห้งปวดต้นคอเนี่ยมีอาการเหนื่อย ทั้งที่หลับไปแล้วตื่นมาเหมือนอย่างเราไม่ได้หลับเลยเมื่อเราทำงานทำอะไรอยู่เนี่ยพอนอนอย่างขาดสติมันก็จะคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้แต่ถ้ามีสติกับการนอนเนี่ยสติจะช่วยรักษาจิตให้เป็นปกติแล้วก็หลับไปด้วยใจที่เป็นปกติหลับลึกแม้กระทั่งหลับในช่วงสั้นๆแต่ก็เหมือนหลับยาวนานตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสดชื่นมีจิตใจที่เป็นปกติสดชื่นสดใสพร้อมที่จะทางานต่อ นอนยางมีสติกับนอนแบบขาดสตินี่ต่างกันนะแม้กระทั่งการเสพกรามเสพกา ร, การหมายถึงการแสดงความยินดีทางตาสิ่งที่มากระทบทางตาดูรูป ส, สวยพอใจเนี่ยเป็นการเสพการามในทางตาเสียงที่ไพเราะที่มาทางหูกลิน่นหอมหอมที่มากระทบจมูกรสจากออาหารที่มากระทบลิน้นการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวล มากระทบกายอันนี้กาเป็นการเสพกามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นการเสพกามคุณทั้งห้าธรรมดานะเราต้องพบกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ไปฏิเสธแต่ถ้าคนขาดสติเนี่ยจมกมุ่นมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดการยึดติดเป็นตัญหาต้องทําตามต้องตกเป็นทาสของตัญหาคือกามคุณอารมณ์ อย่างขาดสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยแม้แต่จะดูรูปสว ย, สวยก็มีสติรู้อยู่ฟังเสียงไพเราะฟังเพลงฟังคําพูดที่พะโล้ อ, อันหวานก็มีสติรู้เท่าทันไม่หลงมัวเมาการดมกลิ่นหอมการทานอาหารที่มีรสอร่อยการสัมผัสที่นุ่มนวลเซียวซาทั้งร่างกายถ้าทำอย่างมีสติเนี่ยมันจะไม่ลุ่มหลงมัวเมานะจะรู้ตัวว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ เรากําลังรู้อะไรอยู่ความอร่ อ, รอยๆความสุขสันตก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่มากระทบไม่ยึดติดและต่อไปเราก็จะเห็นจะเกิดปัญญาเห็นว่าโอ้ลูกเสียงกลิ่นรสนี่มันก็ไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลง น, น, นะเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชา ม, มันได้มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแม้แต่จะเสพกามก็เกิดปัญญาได้ถ้ามีสติไม่แต่ความกลัวคนเราก็ต้องกลัวนะ กลัวอะไรกันไมกลัวในสิ่งที่เราไม่ควรกลัวกลัวไปหาหมอก็กลัวว่าจะเจอโรคภัยแค่เจ็บกลัวการทําความดีกลัวความจริงอันนี้คือเกิวที่ขาดสติแต่คนมีสตินี่จะไม่กลัวจะกลัวในระดับสูงกว่านั้นกลัวแล้วเกิดปัญญาคือกลัวการเกิดอ๋อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ต้องเป็นไปตามกรรมพุะโตมุกบอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกรําไปถ้าคนมีสตินี่จะกลัวการเกิด จะเจริญสติเป็นไปเพื่อความไม่เกิดสิ่งอะไรมากระทบกายเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ได้เข้าอยู่ในกายเคลื่อนไหวแต่รู้อยู่จิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแตง่งก็มีสติรู้อยู่สักแต่ว่ารู้สักแตะวาเห็นไม่เข้าไปยึดติดในอารมณ์นั้นมันก็ไม่เกิดในขณะที่เจริญสติใช่ไหมช่วยได้นะเพราะฉะนั้นการกินก็ดีการนอนก็ดีการเสพการก็ดีการกลัวภัยก็ดีคนขาดสติ ก็ทําตามสันทัตยานแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยจะยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือสันทัตย า, านี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาพูดคุยกันเตือนจิตสกิดใจไม่ได้มาสอนแต่มาแบ่งปันให้ญาติธรรมเนี่ยดำไปพิจารณาเพื่อว่าปีใหม่เนี่ยพอสใหม่เนี่ยเราควรจะยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากห้วงน้ําคือกิเลสและกองทุกข์แล้วก็สันทัตยาน ที่เราเคยมีมาเนี่ยยกจิตให้สูงให้มีปัญญารู้เท่าทันในสัญชตาตญาณของเราทั้งหมดบางทีชีวิตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่จากสิ่งที่เลวร้วายกลับกลายมาเป็นดีก็ได้โดยอาศัยสตินี่แหละเป็นผู้ที่ช่วยยกหลับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปนะวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันมีบารสีบางอย่างก็มาแนะนําแบ่งปันกันไม่ได้มาสอนเพียงแต่ คุยเตือน จ, จิตสกิดใจให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ํำไปพิจารณา